งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมมากเกินกว่าความรู้ของจิตสามัญธรรมดาจะสัมผัสสัมผั์ได้แม้แต่ขั้นหยับอยา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 นับตงแต่ตาหงุมจมูกลิ้นกายเข้าไปถึงใจเป็นสถานที่ทำงานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกวา้านผลกำไรเข้ามาสุ่ตัวของมันแล้วก่อกูนความเดือดร้อนเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยให้แก่กิตใจผู้รับเคราะห์อยู่โดยลำดับลำดาทั้งน้อยทั้งมาก ถ้าเป็นน้ำก็เหมือนกับน้ำรับน้ำสุนไหลลินอยู่อย่างนั่นด้วยการแสวงผลประโยชน์ของฝ่ายอธรรมใจที่ไมไ่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งท่าตั้งทางต่อสู้ขีดกั้นต้านทานมันกินกินแล้วอย่างไรก็ไปไม่รอด เพราะอำนาจของมันมันเป็นเหมือนน้ำซับน้ำสุงนี่โดยปกติแต่ยิ่งมีเหตุการณ์เป็นเครื่องส่งเสริมด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงกำลังวางชากอำนาจวาสนาขึ้นภายในถาวานน้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและย่างมีศิษ มีลทธิทาตาักด่านภากมากแม้ขนาดนั้นก็ไม่สามารถดูได้เลยว่านั่นคือฝ่ายอาธรรมผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเราที่ทำแบบสุกเอาเผากินนี่ก็คือเป็นแบบของมัน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 แต่เราก็ไม่รู้จึงเป็นความลำบากเพราะสิ่งที่พาให้ลำบากมันอยู่มันมีอำนาจมันปกครอง จ, จิตใจทำไม่ได้ปกครอง จ, จิตใจทาไม่ได้มีอำนาจหรือทาไม่ปรากฏจึงมีแต่สิ่งเหล่านี้แสดงรวดลาอยู่อย่างเต็มตัว ในเอียบุตรต่างๆท่านผู้มาศึกษาอบรมก็ควรจะถึงใจในการแสดงเหล่านี้เพราะไม่เคยไม่แสดงไม่ได้แสดงเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแสดงมาโดยลำดับลำดานานแสนนานตั้งแต่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงคนณะหรือเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยวข้องการเทศ ในวันใดเวลาใดจะไม่เทศอย่างอื่นนอกจากเทศเรื่องไทยอย่างนี้และเรื่องคุณแห่งธรรมพร้อมทั้งวิธีละวิธีบำเพ็ญอย่างเต็มกําลังความสามารถถ้าผู้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วความจริงนี้ไม่ควรจะจูดจางควรจะเป็นความจริงอย่างถึงใจอยู่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 นานไปแล้วจิดจางไปแล้วเพราะเราไม่ฟิกจิตใจของเราให้เป็นไปตามหลักความจริงนั้นมีแต่กิเลสทำให้จิตจางส่วนธรรมที่จะให้เข้มข้นเพื่อการตราบตามกิเลสไม่ค่อยมีหรือไม่มีจึงลำบากต่อการก้าวเดินแห่งความเพียรอันจะยังผลให้เกิดประจับภายในจิตใจบางครั้ ง, งบุตรการท่าน เอาจริงเอาจังดูตำลับตำลา ก, ก็เหมือนอย่างสดสดร้อนล้อนท่านทำให้เห็นต่อหน้าต่อตาไม่ว่าจะูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของสาวกแต่ละองค์ที่ท่านประกอบความภาคเพียนตลอดถึงผลที่ท่านได้รับเป็นประวัติเป็นเรื่องราวสดสดร้อนๆเพราะเป็นสัจธรรมคือความจริงไม่เคลื่อนคลาด จ, จากความจริง ผู้ได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วควรจะนําความจริงนี้เข้ามาประทับกับจิตใจของตนทั้งฝ่ายละทั้งฝ่ายบังเคินอย่างถึงใจนอกจากนั้นเรายังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนาสั่งสอนซึ่งก็นําความจริงเหล่านี้มาแสดงเช่นเดียวกันนั้นน่าจะถึงใจมาอยู่นานๆก็ยิ่งเลี้ยวไหลโลเลไปเรื่อยๆ ก็ยิ่งทําให้อ่อนใจให้ผลในการแสดงในเหตุและผลในการแสดงธรรมต่อหมู่เพื่อนเหตุที่จะแสดงคือการแสดงเพื่อผลก็ทําให้อ่อนใจผลที่จะพึนได้รับสำหรับหมู่เพื่อนมันไม่ปรากฏจะทําให้มีกําลังใจได้อย่างไร นี่เรามาทำความเพียรเรามาประพฤติปฏิบัติทางเราไม่ได้มาแสวงทางโลกทางสงสารสิ่งละเอียดก็คือรูปเสียงกลิ่นนวดเครื่องสัมผัสเหล่านี้เป็นเรื่องโลกเรื่องสงสารเราอยากจะพูดว่าร้อยปเซน์ถ้าไม่ได้ใช้ความพินิจพิจารณาไม่มีสติปัญญาไก่กรองในสิ่งสัมผัสอารมณ์ะภายในของเรา จะมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางไรมันจะผิดขึ้นเป็นเรื่องของกิเลสจะทั้งมวลภายใ น, ในใจิตใจถ้าไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจพินิจพิจารณาจริงๆนี่เรื่องเป็นอย่างนี้การสั่งสอนก็ สอนโดยไม่มีข้อข้องใจสงสัยในวิธีการสอนเพราะเป็นวิธีการที่ดำเนิน ม, มาแล้วสำหรับผมเองก็ดีไม่ใช่คุยผู้ตามหลัคกความจินต่อหมู่เพื่อนที่มีเจตนามาวังอัดวังทำนี่แสดงเพื่ออัดเพื่อทำต่อหมู่ตัวเพื่อนยังไม่มีอะไรที่จะเอาสิ่งที่จอมปลอมเข้ามาเครือบมาแฝง มันเป็นเครื่องหลอกลวงเรื่องของโลกดังที่กล่าวนี้มันมีอยู่อย่างที่ว่าที่อธิบายผ่านมานยอยู่ที่ไหนมันก็มีทุกระยะที่ดุงออกพานในจิตใจมันก็เป็นโลกมันไม่ได้เป็นธรรมถ้าไม่ใช้สติ ปัญญาพิณิพิจนาจริงๆมีท่าต่อสู้อยู่โดยสม่ำเสมอมนี่อยู่ไปนานๆมันเลี้วไหลไปเรื่อยๆดังที่ว่าเราไม่ได้มาเสรดงหาโลกดังที่กล่าวแล้วนั้นเราแสวงหาธรรมต้องกลั่นต้องกรองต้องพิณิพิจนาต้องไม่เสียดายในการได้เห็นได้ยินได้ฟังต้องตัดกระแสะของมันอยู่เสมอมันอยากเห็นอยากดูเท่าไหร่ ก็ให้ทราบว่าความอยากนี้คือฝ่ายธรรมความกีดกันความบังคับการต่อสู้ไม่ให้เห็นไม่ได้ยินได้ฟังสัมผัสต่างๆนี้คือเรื่องของธรรมอยากมีมากน้อยเพียงไรที่เกี่ยวกับโลกพึงทราบว่านั้นคือ่าสึกเข้ามา แรงความจิตใจแล้วเราต้องยกทำขึ้นต่อสู้พื้นต้านทานอีกกันอย่างน้อยห้าม บ, าบังคับไม่เห็นไม่ดูไม่ได้ดไม่ฟังมากกว่านั้นนามาไก่กลองหรือทําหน้าที่ของฝ่ายทําไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นทั้งๆ ท, ท, ที่อยากสนใจนี่จึงเป็นวิธีการของผู้ประกอบความเปลียนต้องมีการฝืนกันอยู่เสมอ ไม่ฝืนไม่ได้ขึ้นชื่อว่าอาจทมแล้วต้องคล่องตัวเสมอจิงใดที่คล่องตัวพึงทราบเถิดว่านั้นคืออาจธรรมในขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนั้นต่อเมื่อทำมมีกําลังมากและมีกําลังมากเป็นที่แล้วจึงจะเป็นเรื่องของธรรมและเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องมาได้ เสาะแสวงตรงไหนกับเสาะแสวงเพื่อฆ่าเพื่อทำลายไม่ได้เสาะแสวงเพื่อความรุ่นเดิงบันเทิงความกำนังยินดีแล้วยินไล่ต่อสินทั้งหลายด้วยความพอใจนั้น น, น, นั่นเป็นเรื่องของฝ่ายต่ําเป็นเรื่องของอาธรรมเรื่องของธรรมจะมีความดูดดื่มเพื่อเสาะเพื่อสแสวงว่าภัยอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเจอแล้วก็ต่อสู้กัน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 ไม่ว่าไวยใดไม่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับไวกับนักบวตกับคาราวาสแต่มันเป็นความปินของมันแต่ละอย่างอย่างธรรมก็เป็นของกินสําหรับตัวเองแต่ละอย่างอย่างที่ควรจะแก้ไขสิ่งนั้นได้นํามาแก้ไขย่อมแก้ไขได้ด้วยกันถ้าไม่นํามาแก้ไขก็มีแต่ายต่ำจะเหยียบย่ําทําลายเข้าทุกที่ทุกวันทุกเวลาจนหาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็จบ เอาลองคิดดูสิปัจจุบันนี้เห็นอยู่อย่างเต็มหูเต็มตาศาสนากลายเป็นด้านวัตถุคือศาสนาธรรมแท้มีหลักกิตตภวนาเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องขุดคน้นเป็นตัวการตัวงาน จะเห็นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายซึ่งฝังตรมอยู่ภายในจิตใจทั้งส่วนหยาดส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับและทําลายลได้เป็นมรกเป็นตอนจนถึงขั้นวิสุบริสุทธิมุตตหลุดพ้นเช่นเดียวกับท้างพุทธการทั้งนี่คืองานเป็นเนื้อเป็นหนังงานของศาสนาจริงจริงศาสนาธรรม ท, ท่านมุ่งอย่างนี้เป็นหลักใหญ่มากกว่าหลักอื่นใด เวลานี้เราเห็นไหมไม่ได้ดูถูกเยียดหยาไม่ว่าท่านว่าเรามันพอๆกันวัตถุเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมาในวงศาสนาสิ่งทีส่สำคัญของศาสนาจะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏสถานที่อยู่ที่อาศัย ปัจจัยทั้งหลายนี่คือด้านวัตถุสิ่งเหล่า น, นี้กลายเป็นศาสนาขึ้นมาเต็มวัดเต็มวากุฏิสวยๆงามๆกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับห้องน้ำห้องส้วมที่สะดวกสบายจนพรณน า, นามไม่จบนี่คือศาสนา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 นีศาสนาแปรไปอย่างนี้เวลาที่จะให้แปรลงทงางอักทางธรรมที่เกี่ยวกับจะทำจิตใจให้สงบให้เยือกเย็นให้มีความเฉลียวฉลาดโดยหลักธรรมจริงๆ จ, จนถึงเอาตัวรอดเป็นยอดขนดังขั้งพุทธกาลนั้น จะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏโดยลำดับลำดามาแล้วเพราะวัตถุมีอำนาจมากคำว่าวัตถุมีอำนาจมากก็คือกิเลสมันแทรกเข้าไปมีอำนาจทำจิตใจของผู้ปฏิบัติหรือของพระเรียเราทั้งหลายให้สนใจให้ขวัญขวายในสิ่ง น, นี้จนไม่มองดูเรื่องสีนสมาธิปัญญา ซึ่งเป็นหลักใหญ่ของศาสนาที่จะพาให้หยุดทนที่ให้รู้แจ้งแทงทรู้นั่นเลยเพราะมันมีอำนาจมากกิเหลืมันแทรกอย่างนี้เนี่ยที่อยู่ก็แทรกที่หลับที่นอนก็แทรกเครื่องใช้ไม้สอยก็แทรกมีทั้งแต่ของดิ บ, ด, บ, ด, บดีดีเพื่อฉลองความสะดวกสบายความสะดวกสบายประเภทนี้มันเป็นเรื่องของกิเหลสทธรงมทานไม่ใช่เรื่องของธรรมธรรมาน เรื่องของทมทำงานเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงหรูหลาที่หนาวเวลาทรงอุปสมบทแก่กุนบุตรผู้ใดก็ยกสถานที่ที่รบสถานที่อยู่อาศัยขึ้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยเช่นลุคโมราเชนนาสนานั่นเด็ดไหมนั่นหละสถานที่ค่ากิเลสทำลายกิเลส เบอร์หนึ่งหรือที่หนึ่งอันดับหนึ่งคือให้ไปอยู่ตามลูกของงูร่มไม้ชายป่าชายเขาจากนั้นก็ตามถ้าเริ่มผาต่างๆอันเป็นสถานที่เปียวๆสถานที่โอดหยาขาดแคลนน่าจะสมบูรณ์ภูมิผลเพื่อกิเลส จ, จะได้พองตัวอย่างนั้นท่านอยู่เป็นยังไง ท่านผู้ผิดทำเข้าสู่ใจเป็นอย่างไรกับผู้ผิดกิเลสให้พ่อพุนหัวใจต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเป็นนักบวชเวลานี้เป็นอย่างไรนักบวชพ่อคูนกิเลสเข้าสู่หัวใจด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพ่อพุนอัดทาเข้าสู่ใจท่านพอกคูนด้วยวิธีใดการอยู่ของท่านเป็นอย่างไร การกินการหลับการนอนการใช้การสอยของท่านเป็นอย่างไรนั่นเนี่ยสนามลบกิเลสการอยู่สถานที่อยู่ก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับการลบกับการท่ากิเลสที่หลับที่นอนก็เป็นสถานที่อยู่ที่เป็นที่หลับที่นอนเพื่อท่ากิเลสปัจจัยเพื่องอาศัยทั้งต่าง เช่นอย่างปังสกุลกีวังเป็นของดิบของดีมากตั ง, งสูก็คือขี้ฝุ่นขี้ฝอยนั่นเองไปหาเช้ปาปางกุลที่ทิ้งอยู่ตามถนนคนทางเอามาเย็บปะติดปะต่อขึ้นเป็นสบงกีวังสัางคาติพอได้ใช้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อฆ่าที่เด็ดโดยตะเยียวนัะ่ะของเราปังสกุลปังสูปังสูปัง ส, งสกุลกีหมายถึงทิ้งอยู่ตามพื้น ขี้ฝุ่นไปชักออกมาหาับินธบาตกห็หาด้วยกำลังปีแค่งของตนให้ทำความอุตสาห์พยายามถือเป็นการเป็นงานในการเลี้ยงชีพของตนให้ถูกต้องตามหลักของพระสอนให้บินนิบพัตตบินธบาตบินยาโลภโพธนังนิสาจะประพชาตัตดเถรเยยาปจิวังอุสาหโหการโยนะ ส่วนพิสิทธิเลไปริเหลาของเหลือเฟือท่านก็บอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เหลือเฟือไม่ใช่เป็นของจําเป็นท่านก็บอกเห็นนิมนต์ต น, นังนิมันต์ต น, นังสลากัภัตตังปักปกิจังปฏิปาดิกรรมเห็นรับนิมนต์เขาไปฉันที่นั่นถึงถึงวันปฏิบุตรวันอุโบสถวันปักเขาถวายในวันปักถวายเป็นสังฆท า, านอะไรก็รับ แต่ไม่ถือเป็นความยินดียิ่ยงกว่าการบินธบาทหามาด้วยกาลังปีแขลงของต่อม์นาฟังด้วยไปยังไงการหาเลี้ยงชีพของพระพุทธเจ้ากับภาษาโหลายท่านหาเลี้ยงวิธีใดผู้ฆ่ากิเลสและผู้เป็นชนะของพวกเราท่านหาเลี้ยงองค์ของท่านด้วยวิธีใด ติด ก, กันหมายนี่แหละกินก็กินเพื่อฆ่ากิเลสกินแบบนี้แหละหาผู้ยู่หากินมาเพื่อฆ่ากิเลสหาอย่างนี้ปัญหานี่หลักใหญ่ส่วนเหลือเฟือก็เคยพูดแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้ถือเป็นกิจจารลักษณะเป็นสิ่งสําคัญฮนะเป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนกับการปินธบาตเพื่อกําลังปีแค่งของตนมารับมาฉันน กว่ายาก็ฉันจะดองด้วยน้ำามูดเน่อยเพียงเท่านั้นเพียงเ ย, ออยียวยาดันทำไม่ไดีมานักมาสงวนชีวิต จ, จิตใจยิ่งกว่าทรรมจนถึงกับถือเอาเรื่องหยุกเรื่องยาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วก็ความกังวลวุ่นวายเกี่ยวกับของจนลืมอัดลืมทมลืมสัจธรรมลืมความเป็นความตาย ลืมอ น, นิจังทุกขังหน้าตาซึ่งเป็นหลักธรรมไปหมดมีแต่จะให้อยู่ข้ามฟ้าโดยไถ่เดียวเห็ดท้องปงลิดศีสะบ้างเลยและน้อยก็่ากลัวแตจะตายวิ่งหาแต่มดแต่หมอไม่ปฏิเสธเรื่องหยูกเรื่องยาแต่เรื่องความกังวล็นเกินเหตุผลผลผิดหลักของสมณะนี่ผิดทางของพระพุเทธเจ้าผิดทางของผู้จะฆ่ากิเลสผิดทางของผู้เรียนเพื่อรู้สัจธรรม เรื่องหยุดเรื่องยาก็นำมารักษากนไปัแต่ไม่ให้หลงจน เ, เกิดความกองบนอันเป็นเรื่องของจิตเห็นชีวิตจิตใจมีคุณค่ามากกว่าทําไปเสียอเลยลืมตัจธรรมลืมหลักอ น, นิจจังทุกของอัตตาที่จะพาตนให้รอบคอกต่อสินทั้งหลายมียาเป็นต้นไปเสียอย่างนี้พอพุทธเจ้า รัศาบก ท, ท่านท่านทํอย่าง น, น้จะไปไหนมาไหนไม่เคยละท่าทางเองการต่อสู้เพื่อที่เจะบรรลัยไปจากกิตใจแม้ท่านหลุดพ้นไปแล้วิริยาอาการเหล่า น, นั้นก็นาท่านก็ทรงดำเนินตลอดวันนี้ผ่านทุกๆองค์ไปและนำอุบายวิธีการเหล่านี้มาสอนสัตว์โลกไม่ได้สอนใ น, นสังสม ตอนให้ข้าขึ้นชื่อว่ากิเลสตัวใดอืไม่ว่าจะเป็นโคตรเป็นแท่ลูกเต่าเหล่าก็หลานเลนของกิเลสมันเป็นลูกยักษ์หลานยักษ์พ่อยักษ์ปู่ย่าตายายยักษ์อำนับทํำลายสัโลกทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีพอจะนอนใจถ้านักปฏิบัติเรานักบวชนักปฏิบัติเราไม่เห็นภายในสิ่งเหล่านี้จะเห็นอะไรเป็นภัยก็นอกจากเห็นตัวภัยว่าเป็นคุณเท่านั้น ก็ยิ่งจะร่มจมไปเราให้เห็นดูสิทมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรประเสริดเลิศเลยเหนือโลกมาตั้งแต่การไหนๆจึงเปโล ก, กุตระโล ก, กุตระคือทมเหนือโลกคุณสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเหนือโลกโดยลำดับลำดาไม่มีทมขั้นใดต่ำกว่าโลกเลยท่านจึงเรียกว่าโล ก, กุตระธรรมแปลว่าทมเหนือโลก สูงกว่าโลกเนยทําไม้จึงไม่สนใจนำธรรมเหนือโลกเข้ามาสู่จิตใจให้เหนือกิเลสบ้างหรือให้เหนือกิเลสไปโดยลําดับกําดาสิ่งที่กิเลสกล่อมอยู่ทุกเวลามาเวลานั้นเราไม่เคยเบื่อหน่ายอิ่มพอแต่การประกอบความภาคเพียนนี้ถูกกิเลสปัดมือมือหกักขาหักไปเลยนี่แล้วมันจะทันกันอย่างไร การปฏิบัติอักแล้วคําว่าทำเหนือโลกก็ไม่ได้สัมผัสได้ยินแต่ชื่อแต่นามเช่นสมาธิธรรมสมาถะธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นท่านถอดเอาประจักษ์หัวใจดวงเลิศดวงประเส ร, ริฐดวงที่เป็นมาแล้วทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตนําออกมาแสดงจากสิ่งที่ท่านเป็นมาแล้วออกมาจากดวงใจของท่าน ซึ่งเป็นดวงใจบริสุทธ์ล้วนวิเศษล้วนๆนำมาเขียนไม่ตามตำรับตนลาชี้บอกเข้ามาในหัวใจของสัตว์โลกแต่พาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราควรจะรู้จะเห็นควรจะเข้าใจควรจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเหล่า น, นี้มากหรือเร็วยิ่งกว่าผู้อื่นใดแต่ทำไมจึงไม่ปรากฏถ้าไม่ให้เลียกเหยียบย่ำทาลายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นมันจึงไม่ปรากฏ ในธรรมที่ควรปรากฏพระพุทธเจ้าสอนเพื่อรู้เพื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แท้ๆธรรมะเป็นธรรมะสดๆสร้อนๆจึงเรียกว่าอาการลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่อันใดามาทําลายธรรมที่ทันสมัยในการแก้กิเลสการฆ่ากิเลสนี่เลยแล้วนะทําไมเรานํามาชายแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติมันจึงกลายเป็นเรื่องกิเลสเหยียบย่ําทําลายเอาเสียหมดหลุด ไม้ดูดมือไปเครื่องมือคือทำทั้งหลายเหล่านี้ไม่ติดตัวเลยเป็นเพราะอะไรตั้งปัญหาถามตนบ้างด้ยนักปฏิบัติสึกมันประดังเของอ้าบุดที่หัวใจตลอดเวลาธรรมะทำไมมันมีเครื่องต้านทานกันบ้างนักปฏิบัติมั น, ม น, มนเพื่อจะได้ปรากฏสมาธิเป็นอย่างไรําว่าความสงบใจสงบเป็นอย่างไร เสียงสงบเราก็เคยได้ยินลมสงบเราก็เคยได้ยินได้เห็นเรื่องราสงบเราก็เคยได้ยินได้เห็นความสงบเป็นของดีใจยิ่งเลิศยิ่งกว่านั้นสงบจากอารมณ์ที่เป็นพลึกเป็นภัยทั้งหลายเข้าสู่ความเป็นเองของตัวเองเข้าสู่ตัวของตัวเป็นตัวของตัวในขั้นนี้เราก็มีความผาสุกสบายเย็นใจเบาใจความสุข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 นั่งสมาธิภาวนานิดหน่อยก็กลัวแต่จะตายถูกอารมณ์มันผักมันใสมันขยี้ขยำงจนทะลอะปอกเปิกแข่งหกักขาหักไปตามมันเสียจนไดน้แล้วจะหาสมาธิหาปัญญามาจากที่ไหนจากวิธีการอย่างนั้นของกิเลสลากนักปฏิบัติไปยิงย่งปัญญาดิ้ด้วยแล้ว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 พุ่งสร้างลำคาญไม่หิวโหวยกับอารมณ์อะไรนำจิตที่สงบนั้นเข้าทำงานทางด้านปัญญาจึงสะดวกตั้งหน้าตั้งตาทำให้พอปรากฏผลในแง่นั้นแง่นี้ขึ้นมาด้วยอุบายของปัญญาก็ยิ่งเป็นเครื่องสะดุดใจไปโดยลำดับลำดาทำให้ตื่นจิตตื่นใจขึ้นมาทำให้ตื่นตัวขึ้นมาเพราะปัญญา นล้วก็พอใจกับการค้นควายพอใจกับการพินิษพิจารณาเนี่ยเริ่มปัญญาเริ่มไหลายตัวที่แรกต้องได้บังคับเมื่อปัญญาได้ทํางานเห็นผลไปโดยลําดับตลำดานแล้วปัญญาจะตั้งหน้าต่างตาทํางานไปเองและดูดดื่มในการคิดค้นคว้าของตนจนกลายเป็นอัติมัติขึ้นมาได้ในสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรก็าตามสติปัญญาจะ ขึ้นมาพร้อมๆกันพร้อมๆกันไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็เป็นสติปัญญาค้นคว้าหาเหตุหาผลหาความปับความกินอยู่โดยทํานองนั้นนี่อุบายทั้งหมดหรือวิธีการทั้งหมดกิริยาที่ปัญญาทําหน้าที่อยู่ทั้งหมดนี้เป็นกิริยาอาการที่ข่าพิจิตโดยลําดับตลำดาเพียงปัญญาเท่านั้นก็ได้เห็นชัดแล้ว ว่ากิเลสจะขาดว่าขาดตอนไปวิเลสจะขาดจากใจนี้ขาดด้วยปัญญานะมไม่ได้ขาดด้วยสมาธินะสมาธิเป็นติเพียงให้จิตสงบอารมณ์รวมกําลังของใจเพื่อจะทํางานในการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาเมืม่อปัญญาได้เกิดได้มีขึ้นแล้วนี่แหละที่นี่ากิเลสมันจะมีหนาแน่นเท่าไหร่ก็เถอะไม่พ้นไปได้เลย นับวันที่จะพิเรศข้าขาดสะบั้นหันแหลกลงไปเพราะความเพียรจะเหนียวแน่นมั่นคงมากดูดดื่มมากเป็นไปโดยอัตโนมัติของตัวเองนี่แหละรร่ทพระพุเทธเจ้าท่านสอนว่าปัญญาปริภาวิโตจิทางส ม, มเด็จวาอสเวหิมุจะติเบืองต้นท่านก็สอนว่าสิรปริพาวิโตปัญญามหาพลามมุติมานิอัคสิรปริภาวิตวญญาาาโวต สมาธิมหพโลโคติมหานิสร่างโซ่ศีลเป็นเครื่องอบอุ่นไม่ทําใจให้เกิดมิวรเดือดร้อนจัดตนเองว่าได้ทํำศีลด่างป้อยมีความอบอุ่นบําเพ็ญสมาธิเมื่อนิวรเหล่านี้ไม่ควรจิตก็เข้าสงบได้ง่ายเนี่ยสมาธิปริภาวิตาปัญญามหพาโคติมหานิสร่างซ่าปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้ว ย่อมทำงานได้คล่องตัวไม่ทะเลทลายปัญญาบริภาวิตังจิตตังซัมมาเดวะอาสเสวหิมุจจะติจิตที่ปัญญาได้เป็นผู้รักษาเป็นผู้สังหารกิเลสตอกกิเลสซ้ำรอกกิเลสแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบ นี่เป็นบทที่สำคัญมากในพุทธศาสนาหรือในการบำเพ็ญอันนี้แยกไม่ได้จะให้มีแต่สมาธิจะมีแก่ปัญญาก็ไม่ได้นอกจากคี ป, ปาปปัญญาซึ่งมีสมาธิและปัญญามูน่นไปพร้อมๆกันถ้าเป็นลายธรรมดาท่านๆเราเ ดำเนินไปโดยลําดับบรรดาล้มลูกคุค่คานอย่างนี้เรื่องสมาธิเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่มากทีเดียวถ้าไม่มีสมาธิเราจะใช้แต่ปัญญาอย่างเดียวมันถลเอถลายไปเสียกลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวไม่ได้เรื่องอะไรพอจิตอินตัวมีความเย็นใจมีความสบายไม่ฟุ้งเฟอ้อเห่อเหิมไม่คึกไม่ขนองกับอารมณ์ต่างๆแล้วพาทํางาน โดยทางปัญญาแล้วย่อมตั้งหน้าตั้งตาทํางานและได้ผลประจักษ์ขึ้นมาโดยลําดับตํญญามดาจนเป็นสกิปปยานแห่งการทํางานของปัญญาแล้วเกิดความดื่มดมหมุนตัวไปโดยลําดับตรรมดาได้โดยไม่ต้องสงสัยทําเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้ที่กลาล่านี้อยู่ที่หัวใจดวงลู่ ล, ลูนี่หละโดยสายธาตุขันเป็นเครื่องประกอบ ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วผู้ที่จะดีจะชั่วจริงๆแล้วผือใจธาตุขันเหล่านี้ไม่ได้ดีได้ชั่วอะไรแต่เป็นเครื่องอาศัยกันถ้าจิตหมุนไปทางฝ่ายอธรรมขันเหล่านี้ก็เป็นเครื่องมือสําหรับสร้างสมอธรรมขึ้นภายในใจถ้าจิตหมุนไปทางธรรมอาการตั้งห้าคือขันทั้งห้านี้ก็เป็นเครื่องมือสําหรับทําไปมีเท่านั้น พูดที่จะรับดีรับชั่วจริงๆคือใจยิงต้องอาศัยธรรมเป็นสำคัญให้ขันห้านี้ด้ทำงานให้ทางที่ถูกที่ดีแล้วเป็นผลที่พอพึงพอใจแก่จิตใจเองเสียดายอะไรนะโลกนี้ยังไม่จีดไม่จาก เคยจมมากี่พบ ก, กี่ชาติแล้วเอาพบชาตินี้เป็นหลักปัจจุบันเป็นสักขีพยานใช่ไหพบชาตินี้มันเป็นมาได้อย่างไงไม่มีสาเหตุพาให้มันเป็นแล้ะพบชาติก่อนๆที่หนุนกันมาโดยลาดับลาดับเกิดแล้วแต่เล่าเกิดแล้วแต่เล่ามันไม่มีเชื้อไม่มีสิ่งเกี่ยวโยงให้พาเป็นมามันเป็นมาได้อย่างไงเราจะมาปฏิเสธหรือมาตัดสินเอาแบบรับหูรับตาให้กิเลด มันปิดตาอย่างนั้นได้ผลได้ผระอะไรพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นจากกิเลสเป็นผู้เหนือกิเลสเป็นผู้ฆ่ากิเลสทิพย์หายบาดเวื่อุ๋มไปแล้วเป็นผู้ตรัสไว้มาตายแล้วเกิดพบนั้นพบนี้พบน้อยพบใหญ่หาความแน่นอนไม่ได้เพราะวิบากกรนมนี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่โอวาทของพระพุทธเจ้าสอนตามหลักความจริงนอกจากโอวาทของกิเลสมันตรอมทั้งไป เพราะเป็นค่าสิทต่อความจริงคือทำวิเลกรรมทำกับทำรรต้องเป็นค่าสิท ก, กันเสมอไปนั้นจะเอาของจริงมาพูดไม่มีเลยเอาของจริงมาสอนสารโลกไม่มีเลยแม้แต่นิดจะเอาตแต่เรื่องปลอมทั้งนานมาสอนเรายังเชื่อมันอยู่เอือแล้วยังจะเชื่ออย่างติดจมไปอีกอยู่เลอไม่เคยไม่เห็นโทษหรือพูดทางธรรมังสนากระฉามไ ม, ไม่มีค่าอะไรบ้างเหรอจรึงไม่นํามาคิดไม่นํามาตรองเนื้อดำเนินตาม ที่ท่านสอนไว้นั้นท่านบอกว่าชาันแล้วว่าอาวิชชาปัจจญาสร้างฆ่ารานั่นเพียงเท่านี้กระเทือนไปหมดแล้วในหัวใจของสัตว์โลกทั่วไตรภพเพราะมีอยู่กับทุกดวงบรรดาผู้ที่ยังมีกิเลสคืออวิชชาปาัิญาณอยู่แล้วกระเทือนหมดเว้นพระรหันเท่ารันท่านไม่มีนี่แหละพาสัตว์ทั้งหลายให้เกิดเกิดแล้วตายเล่าดีๆชั่วๆเหล่านั้นเป็นนิบาตกรรม ที่เกิดขึ้นจากการทําดีทำชั่วสัตว์โลกทั้งหลายจริงไม่ไดเหมือนกันกำมังสัตติภัจจิตยติดังสีนับประนีต่างนะกรรมเป็นเครื่องจําแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้ประณีตเรีวสามต่างกันท่านบอกไว้อย่างชาัดเจนไม่มีอะไรที่น่าสงสัยเลยเราอยากจะทราบเรื่องเหล่านี้เอาพิสูจทางด้านปฏิบัติเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าประทับอยู่ตรงหน้าเหล่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านโภคาร์ตางจะลบล้างไม่ได้เลย โดยความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของเรานี้ออกประกาศประสานกันโดยกับพระพุทธเจ้าและธรรมตั้งหลายนั้นตลอดถึงพระสงฆ์สาวกมีกี่องค์ในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเท่าไหร่จะรวมลงเป็นความจริงอันเดียวกันหมดประสานกันได้อย่างประจักษ์ใจหายสงสัยกราบนาบเรียก่าอาการิโกกให้ปฏิบัติลงตรงนี้ถ้าอยากรู้อยากเห็น เริ่มตั้งแต่ที่สอนเนี่ยสมาธิไม่มีคนขวายให้มีไม่มีผู้ใดจะมาค้นขวายให้ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ควนขวายแค่คนเดียวเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบาปเรื่องกรรมมากน้อยไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะมารับเคาะให้เราเราเป็นผู้รับเองเมื่อเป็นฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ช่วยตัวเองประพฤติปฏิบัติแก้ไขตัวเองหนักก็เป็นเรื่องของเราเบาเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นใดพอที่จะหวังเพื่งผู้อื่นในการแก้พิเดีย เพื่อแก้ทุกข์ทั้งหลายไปในตัวพร้อมๆกันเราต้องทำั้งเราเองให้เกิดที่ที่สมาธิเกิดเป็นยังไงใจที่มีถึงต่กี้เด็ดครองหัวใจสมาธิไม่ได้ปรากฏภายในใจเลยมีหาความสุขที่ไหนได้นอกจากความรุ่มร้อนเป็นฟืนเป็นตาอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินดนนอนนั่งนอนโดยไม่เลือกชาติชั้นบรรณฐานะใดๆทั้งนัน้นเอาให้เกิดิ ปัญญามีตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกนั้นหรือท่านสอนไว้เพื่อใครเวลานี้ธรรมะต้องเรียกว่าปัญญาปัญญาเศรษก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสอนไว้เพื่อโลกใครเป็นโลกพวกเรานี้ค น, นมีเชื่อโรคเต็มตัวอยู่ภายในหีบใจจะนํายาธรรมโอสถนี้เข้ามาแก้มาถอดมาถอดกั น, นาํามาใช้ที่ปัญญาหุงต้มแกงกินได้เลยล้ว เ, เกิดมากี่ภพกี่ชาตแล้วไม่อิจนาอาเจียน้างเลย กิเลสตัวไม่พาอินนาละใจมันฝังใจเราทําตัวอินนาละใจก็เข้าแก้กันใช่มันเห็นใชเมื่อปัญญาได้เกิดแล้วเอาละที่นี่ว่างนั้นเลยเป็นเกิดขึ้นโดยหลับธรรมชาติไม่ต้องไปศึกษาหาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยถ้าลงปัญญาขั้นนี้ได้เกิดแล้วเป็นขึ้นในตัวเองข่ า, ก, ากิเลสภายในิตใจพินาศชิดหายโดยลําดับําดาไปจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือเพราะปัญญาประเภทนี้ ท่านให้ชื่อว่ามหาสติมหาปัญญาก็าไปตั้งแต่ปัญญาล้มลุกคลานนี่แหละจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาได้เพราะการฝึกการอบรมอยู่โดยสม่ำเหมือนหนุนกันไปเรื่อยพิจารณาเรื่อยเป็นมีกาลังแล้วกลายเป็นอัตโนมัติขึ้นมาแล้วกิเลสตัวไหนที่นี่นี่แหละที่ว่าปัญญาเดินละทีนี่ตาหูจมกูกเิ้ยนกาย สัมผัสสัมพันธ์อะไรสติปัญญาจะตามไปเพื่อฆ่ากิเลสโดยลําดับลำดาในขณะเดียวกันโดยไม่ต้องตั้ง อ, อกตั้งใจเป็นไปเองเมื่อถึงขั้นสติปัญญาเป็นไปเองแล้วอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะเป็นไปเองในการแก้อาการถอกถันถอนในเรื่องการสังสมกิเลสนี่ไม่มีมีแต่เรื่องฆ่าโดยลําดับตำดับเท่านั้นจนกระทั่งกิเลสบันลยัยไปหมดจากหัวใจแล้วโล่งหมดไป็นอาวากาศของกิไม่ปรากฏเลยว่าอันใดมาเป็นฆ่าสุเออหายหมดหมดแน่เลยว่าที่นี่ฆ่าสุด จะไปถามไข่สันทิติโก้พระพุทธเจ้าประกาศด้านโลกอย่คือจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากพิเอษสันทิติโกน้นี่อีกที่หนึ่งเหนือโลกด้วยไม่เหนือโลกอยู่กับขันก็รู้ท่นขันก็รู้รว่าขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็รู้ว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่มหัวใจสงสัยอะไรพระพุทธเจ้านิพานไปกี่โพรงหายสงสัยในขณะที่อันนี้ความบริสุทธ์ได้ปรากฏเต็มดวงขึ้นมา นี่ฉันใดผู้ที่เจ้าทั้งหลายฉันนั้นสาวกทั้งหลายฉันนั้นพอแล้วอยู่ไหนก็เหมือนกับได้เข้าเฝ้าผู้ทีเจ้าเนี่ยกี่ว่าผู้ดใดเห็นธรรมเพราะนั้นเห็นเราเห็นจิตดวงที่บริสุทธิดด์ล้วนๆสง่าผ่าพเผยเหนือโลกเหนือสองสารอัศจรรย์ก็อัศจรรย์เหนือโลกเหนือสองสารนอกสมมติโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือผลของการปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมของมือเจ้าไม่ชี้ไปไหนชี้ตรงจุดนี้ให้หปรุกพ้น เราเนะี่ยเอาตั้งแต่กำปีกิเลสมาแบกอยู่ตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแม้แต่ประกอบความเพียรก็แบกแตักงกำปีกิเลสอยู่บนหัวไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวเลยสีสมาธิปัญญามีมุตบุดพ้นจะมาจากที่ไหนก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเต็หมหัวใจมันแตกต่างอะไรกับสัตว์โลกด้อมๆเดมๆอยู่ตามภาษีภาษาเขานั่นเขาก็มีกิเลสเหมือนกันกับเราเราจะยกฐานะเราว่าสูงกว่าเขาที่ตรงไหนเมื่อกิเลสยังเต็มหัวใจอยูแ่แล้ว อวดอะไรกิเลสมันชอบอวดออือธรรมะไม่ชอบไม่อวดยิ่งถึงความพอตัวแล้วเท่านั้นแหละเองไม่ว่าจะตำหนิติเตียนไม่ว่าจะถูกผมเฉยชนะสนประกันดักก็เหมือนน้ําตกลงบนใบบัวนั่นปิ้งตกไปกิ้งตกไปไมู่ญม่าเป็นโดยหลักธรรมชาติคิดก็เหมือนกันเมื่ออิงตัวพอตัวแล้วเสียงชนเสนก็ตกลงมาตกเข้ามาสัมผัสภาพดับไป ยังนินทาเข้ามาสัมผัสพับดับไปเท่านั้นเกิดดับเกิดดับเป็นอาการของสมมติทั้งหมดธรรมชาตินั้นเป็นนี ม, มุ่นข้าวกันไม่ได้นะเอาให้เห็นที่นักปฏิบัตินี่ครูบาอาจารย์ท่านร่วงรับไปมากกว่ามากแล้วนะเรายังไม่ตื่นใจอยู่เลยใครจะแนะนําสั่งสอนเราต่อไปถ้าเราก็หาหลักหาเกณฑ์เกี่กตัวเองไม่ได้ออหนเปรียกที่ตุกเวลา เรื่องธาตุเรื่องขันเป็นของไม่แน่นอนการอยู่ด้วยกันนี่ก็เป็นของไม่แนอนมีการย่างย้ายผันแปรอยู่ตลอดเวลาทั้งธาตุขันทั้งการอยู่ร่วมกันนื่ในขณะที่อยู่ควายรีบเล่ขงขวนขวานในที่ยังบกพ่องพยายามขวนขวายอย่าถืองานใดเป็นงานสาระสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกลมนอกสมาธิพาวนาชำนาญ จ, จิตใจซึ่งมีตัวภายในสำคัญสาคัญฝังจมอยู่ในนั้นมันออกมาได้โดยลำดับใช่ไห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 อีแต่กิเลสมันเป็นเอกเป็นเอกถางแม้จะหนึ่งไม่มีสองคือไม่มีคู่แข่งมันถ้าไม่คู่แข่งมันนันมันก็บรรลัยเหมือนกันมันจะเป็นแชมเปี้ยนขนาดไหนมันก็ต้องต้องมีผู้ชนะมันจนได้แหละมันจะเคยเทียงไกลมาอันตั้งกับตั้งกันก็ตามแตะเหมือนความมืดมันจะเคยมืดมากี่กับปีกันพอเปิดไฟขึ้นจ้าตอนนั้นมันก็ หายไปหมดเลยไม่ เ, เอาการเอาเวลามาอ้างได้เลยิลิเหมือนกั น, นกีนปัญญาเต็มที่แล้วจ้ากันหมดเลยล่ะไหนที่ไหนาตาหัวูสัมผัสสัมพันธ์ทีดดไ่ไหนมันอดชีวิตไม่นานๆมันเป็นเองที่ ตาถึงหนหูถึงไหนมันคิดถึงนั่นถึงนั่นถึงนันเป็นเองนี่นอกจากไม่พูดหมุนต้องมันอยนั่นงานนี้เวลทเตียงเงินมากที่ อำ น, นาจทุเลอบทิพย น, น่แหละเรื่องนาเต็มแผ่นดินเลยหรือออกฤทิออกเดชอย่างออกหน้าออกตาไม่กระทบกระทัะท่งน่เลยเพราะทำมึงไม่มีหนึ่งหัวใจของโลกมีแต่อันนี้เต็มเรื่องอำนาจอยู่ นั่นก็แสดงนี่จำมเจ็หัจเ็ ด, งเ ด, งเดงผงของมันนั่นแหละเ้าเป็นเลือกมีจะ่ทำเลด้อย่างเดียวอยากเป็นโรงครองอไปเลยบินั่งีทำอะเป็นเบิกห้ามรอน ม, มพูดปากพูดไปทางทางจริง ได้ที่พี่เครอบคองมันก็ไม่พอใจนี่ถ้าทำเราจะหาทางออกไม่ได้นะต่าไปนี้นะคูอพูดคำของจริงไม่ได้มันกับเพื่อนพี่เล็คือท่ากา็ทําก็ไม่มีทางออกก็มีแต่พี่เล็กานเหนือจิตวิสัชนาหมดไปจากโลกหมดไปอย่างนี้เองคือโลกมีอำนาจมากมันกลายเป็นของจริงขึ้นมา ทำด้วยเป็นของจริงไม่มีอำ น, นาจก็ค่อหมดไปจากหัวใจหมดไปจากหัวใจแต่ดวงดวงเรื่อยๆสุดท้ายก็หมดนี่คือศาสนาหมดหมดจากหัวใจของตับโลกนั่นเองอี น, นี้ก็ผลแห่งศาสนาหมดก็หาความสงขผลนห่งกิเรื่องอำนาจก็เป็นคนึังไง ไปหมกทั่วดิงแนไม่ไดว่าทำนั่นวันนั้นนี้ว่าคโมกคนสลัดมันเป็นตื่ไตามกันหมดเรเสกอรืออคนนั้นดคนนี้ดีคนนันมีกสปัญญาทะเยอทะลายนั่นเี้เศกเป็นั้นของิเศษพาให้เสร็จไม่ใช่ความจริงคือทาพาให้เสร็จวิเาให้ดูกันมันก็ดูมันผุดมันนั่นดูนันน่มันถึงจะตื่นกัน โลถ้าทําดูไม่ดูเฉิ ด, ดูความจริงความจริงเหมือนลุ่มหมดความทุบตีสุดความพคตรความโป่งการรื้การไถการทํา ง, งานการเหย่อนเยืนอนต่างๆไม่ออกเพราะความเห็นแก่ได้เพราความเห็นแก่ตัวอันเรื่องคุยเดือดรุงดร่งว่านี่จะออกจากไหน น, นี่นนีระวงรั ง, งใหญ่ของมันที่จะ แพกหินก้านแขนงออกไปให้มันร้อนยันปูนไปต่างต่างก่อนอลูกหนุย่ยหนีอะไรก็ต้องถูกบีบถูกบังคับแยกเลี้ยวต่างๆ่ก่อนในวงการสนามเราอมก็เป็ น, นมากกว่ามากแล้วตน น, น, นนี้นังดื้อถึงอยู่ครับฟงงงง วิจิตรพิสดานให้เหนือโลกเขาจะซ้ำไปแฟงโลกเขาไปโดยไม่รู้ว่า น, นี่คือโลกเลยโลกคือกิรลยเลยไม่รู้อะไรก็แข่งกันเรื่องวิริยมันก็แข่งกันเรื่องของทำไม่แข่งใครูคนเดียวหมุนติวต้วติ้วในป่าในเขาวัดกันไม่มีเวลาลงเวที ที่เดมวนสือน่อลงับผมจะคิดนีขวายาวนะ้ก็พูดก็ยากไปคิดก็ยากมันจะถูกน้ำมันที่วัดเรามันตุน่มจันตุ่นจันนะนั่นนะโอ้ของโห่ของจาเนะ ผมจะตายโอจะแายถ้าจะพูดกูเนี่ยทุ่มึงผมต้องตายจริงนอกจากเชยเหมือนหมาป่าหิ่ไปไบ้างอะไรบ้างทั้งนั้นม่หายมองวัมสงเห็นแล้วนี่เพราะงั้นั้นมรู้เรื่องเลยม่ว่างไงไม่ใช่อวนนะเป็นอาจารสอนผมกัน ค็าอเห็นนี่แหละมันเร็วข น, นานั้ น, ลนเลยมันข้องอกแต่คุณมอ้อที่ยาอาการของคนไม่รู้เลยมันแสดงมาไม่รูู้่ของเร็วมันเค้าหลับตะก ม, มันด้ยดูเขาอย่างที่เรลือยู่ที่หัวใจมันแสดงท่าไหน เอาประทางกายวาจามันไม่ออกทางนี้มัน อ, อกทางไหนมันต้องออกทางนี้ก่อนีอ่ไปนั้นทีนี้เกี่ยวกับหมูก่กรเพื่องไปงั้นระวังพูดไปฟังคํานึ่งฟั ง, งก็ยังเป็นการดีเกลียดกายไปนั้นไปรังผางต้าผมก็ดูวัดปูวาที่ออกปูาวาอาจารย์เคยไป่ที่นั่น เ, เป็นยังไง ไปดูการที่ปฏิบัติเป็นเยังไงแล้วมัก็จะเคลื่อนลื่นลื่นล่อนล่อนเอาไปยังมีเห็นมีผล <Yeah. S 1> เคลย่หาอะไรดูจนตาลูกตาแตกก็ได้ดูอะไรก็ดินวันหนึ่งว่าหนึ่งเต็มไปหมดทุกที่จะให้ดูให้ฟังให้เห็น แต็อยู่ที่ไหนก็เต็งหมดมันอดอากที่ไหนพอจะไปหาเที่ยวดูนั่ดูนี่พอดูต้นไม้กนี่ก็มีนยก็ดูอีกดูปูนดูหินดูรายที่ไหนมันก็มีถึงอนี้ไปดูเพื่อสอหาจิตใจของผู้นักสาธาผู้บริัาิผู้เป็นเจ้าของ่แหละถ้าดูสิ่งนี้ก็ดูเข้าไปตรงนั่นดูปูนดูหินด้ทาเคยดูต้นไม้เคยไปไปเลย